สภาพใดที่ยังมีอหังการอยู่อัตตมิมานะความถือดีความยโสหัง มานะนี้เหมือนหัวลูกศรซึ่งเสียบติดอยู่แล้วถอดยากเราผิดๆประจากความเป็นจริงของธรรมชาติอีกแล้วเห็นขันธ์ 5 ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ ดังนั้นมันจะมีสาระสําคัญในตัวมันเองคือหายใจเข้า เจ้าเรือนซึ่งเคยเจ้าของเรือนซึ่งเคยเป็นคนจูนช่างอันนี้มันหายหัวไปมันก็เหลือแต่ขาเดินไปจิตคิดนึกไปมันมีแต่รูปๆก็ทําได้ คนก็อิจฉากันอยู่เราไม่อิจฉาใครคนก็หาเรื่องคนอื่นอยู่เรา มองมนุษย์ตลอดนะครับนับตั้งแต่อดีตกาล มันได้ที่เราเห็นความสลักสําคัญของธรรมชาติในตนนะธรรมชาติในตัวเราเนี่ยมันมีความสําคัญในตัว พร่องร่วงคืนเดียวน้ําออกจากร่างหมดตายทัน 2 บาทไม่มีใครซื้อตัวมันถ่ายออก วินนสิงห์เหล่านี้นะครับมีความสําคัญในตัวมันแต่มันไม่ว่าตัวมันเลิศนิ้ว 5 นิ้วของมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดทะเลาะกันขึ้น เจ้านายทุกคนจะชี้นิ้วชี้ไปที่ธาตุนิ้วกลางบอกว่าข้าสูงกว่าใครแหวนเค้าใส่ที่นิ้ว จิทุกๆนิ้วหนุนไม่ได้สําคัญอะไรกว่าใครมันมีหน้า <c oughs> จับลงไปที่พื้นลงไปที่พื้นทิ้งต่างว่าจับก้อนกรวดขึ้นมาคนเป็นลำธารซึ่งก้อนกรวดลำธารแห้งไม่มีน้ําแต่กรวดเป็นหมื่นๆมาก็ลําบาก แต่ว่าเมื่อเราสลามไปมันก็อยู่นั่นแหละ <ห? S 1> ไม่มีค่าอะไรครับค้าอะไรครับไม่ผมไม่เคยเจอแม่ค้าขายน้ำค้างเลยเชิญจะไม่มีร่องรอยซื้อ จะพอไฟตูเยนกลายเป็นอื่นไม่เป็นน้ําค้าง แต่ใครจะโกนจกโหนดนะครับขขอโกนแต่ถ้ามีกระจกจะช่วยโกนง่ายขึ้นใช่มั้ยครับแล้วใครสําคัญ <handle> <c oughs> <c oughs> ปกคนที่หน้าเราแล้วไอ้ข้างในเกลี้ยงเองครับเข้าใจมั้ยถ้าเข้าสิผิดหรือยุ่งกันใหญ่นะผมว่ากาลมานี้ที่บ้านที่ผมพักนะครับจริงๆผมไม่มีบ้านเค้าให้อยู่มีนกตัวหนึ่งมาเกาะที่หน้าต่างกระจกครับกระจกบานตันนะฮะปิดตายนี่ข้าง ดิบบินวันนึงแล้วนะครับกลับไปพุ่มมะเดื่อมาที่นั่น 3 วันจิกๆประมาณ 3 วันเต็มๆคือมันเข้าใจว่ามีอยู่อีกตัวนึงข้างใน 4 ไม่อืม ทำไมเนาะมันไม่เข้าใจที่จริงเป็นเงาของมันเท่านั้นน่ะเพียงแต่มันเข้าใจนิด ดังนั้นเราจะไปยุ่งกับมันครับเราอยู่นี่ครับเนี่ยพอเรากลับมารู้รูปรู้นาม เส้นยืดแข็งยืดขาได้มันดีอย่างนี้นั่งได้นอนได้มันสําคัญอย่าง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 กิริตด้วยองค์สมเด็จเป็นเจ้าคุณรณาลัยต้องผมผมไม่ ก็มีทั้งมีผู้มีปัญญาและผู้มีความโง่มันธรรมดาใช่มั้ยครับทุก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 จะดื้อรั้นกับพระธรรมนะครับคุณอาจจะดื้อต่อสู้ได้ คือจิตที่คิดเองอย่าไปต้านเข้าแต่จงรู้จงเห็นจงถ่อมเข้าไปในตัวเองแล้ว จากเวลา 10:00 น. จนถึง 10:00 น. นี้นั้นจนหรือ 2 รอบนะครับต่อจากนั้นเราก็เดิน จิบไปคนละผืนโดยไม่ต้องพูดกันผู้ใดที่สูงรองเท้าก็สั่งเท้าโดยไม่ผมไปผม ความรู้สึกที่ที่ฟื้นฟูขึ้นอาการนี้เรามันจะปรากฏอันนี้เรียกว่าสภาวะ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 ตัวเรามีความสําคัญมากกับ นี่นะครับเก็บเสมือนการเชื่อมต่อประสบการณ์ต่อประสบการณ์พอเราเริ่มปฏิบัติกรรมฐานเราแล้วเก็บเสมือน แต่จิตเนี่ยมันดับหมดแล้วนำปฏิบัติอยู่แต่ไม่ไม่ไม่เชื่อมประสบการณ์เก่ามันๆครับก็คือความรู้สึกคล้ายๆกับ คนดูทีวีเป็นตอนๆทางยายหรือละครอะไรเนี่ยมันก็เชื่อม <c oughs> ท่องสูตรเคมีหรือท่องข้อความหรือบทความอะไรสักอย่างนึง กล่าวกันอะไรเลอะๆครับเราทรแต่ว่ามันเป็น จะค่อยๆละรูปแบบพร้อมไปอยู่ความรู้สึกตัวเชื่อมโยงประสบการณ์เนื้อหาของครับคนเนื้อหามัน ไม่แต่ประเทศเสร็จจะทํากันยังไงแต่พอเทเสร็จ 24 ชั่วโมงรุ่งเช้า 2, <ด><ด> 2> วันยิ่งดีลือแบบออกเพราะเดี๋ยวแต่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 ลืมลืมตัวไปแต่พอเริ่มเชื่อมโยงกับ หลักไหลปลอยเป็นสุข ที่เรียกว่าไม่มีสุขใดก็ไม่มีสุขใดเสมอเหมือนสันติหรือสันติ เพราะคนที่โง่มากๆเนี่ยก็เป็นก็สงบเหมือนกันครับคบเนี่ยเค้าเป็นแต่ 20 ปี 20 ปีก็อยู่อย่างนั้น ที่เป็นยอดสุขเนี่ยคงไม่ใช่ความ ที่เกิดความรู้สึกที่สงบแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยอันเดินก็ก็เลย ตินิกความสงบอีกแบบหนึ่งนั้นสงบเพราะรู้ครับสงบเช่นนี้ไม่ จะคือสงบจากการเดินทางถึงชายหรือว่าริมบ้านแล้วสงบสปะแม้ว่ายังมี เป็นเวรธนาที่เจอด้วยโมหะเมื่อแยกเป็น 2 ชนิดนี้แล้วนะครับเราจะพอว่าพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าสุขใดเสมอความสงบเป็นไม่มีสงบตัวหลังในหมายถึงสารติดหรือสันติดซึ่งไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการกระทําให้สงบ เมื่อเราจะทําให้เกิดความสงบนั้นมันจะคู่กับความวุ่นวาย เป็นสภาพซึ่งสิ้นปรุงแต่งไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงซึ่งสินปรุงตางไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงไม่ได้ทําอะไรมันทั้งนั้นเรียก ที่ไม่มีขนาดยอดไม่มีลักษณะเนี่ยไม่มีขนาดไม่มีสีสัน เพราะถ้าทําให้สงบมันไม่ทํามันหวั่นไหวมันผลที่ว่าอย่าทําให้สงบ ฝุ่นนี้เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นล้านเม็ดจริงใครครับไม่รู้จักผ้า กิฟุนมันก็ฝังนั่นลงไปในเนื้อของผ้ากำมะหยี่นั้นแต่ทุกคนที่รู้จริงๆนั้นก็จับชาย 2 ชายแล้วสะบัดให้ๆครับไม่ใช่พูด รูปไขมันเรียกไปไปช่วยงานหายไปแล้วขึ้นคือเราเคลื่อนไหวลบกระตุ้นให้มัน ชายผู้หนึ่งต้องการที่จะจับเฮียตัวนั้นมาฆ่าหรืองูก็ได้สิทธิ์แทนฮะอุปมาไม่สําคัญอะไรจะทํายังไงไงเพราะรูมันอยู่ลึกมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาดังนั้นเองชายผู้นั้นชายฉลาดผู้นั้นก็เลย เป็นโอกาสเดียวที่จะตีมันให้ตายเข้า ถ้าคุณไม่อย่าเราเราก็ฟุ้งระห่ะเดี๋ยวเกิดเรื่องกันใหญ่เราต้องอย่าตัวเราเองเข้าใจมั้ยครับถ้าอย่าตัวเราเองไม่มี ก็เดินให้มันคิดออกไปมันก็ฟุ้งขึ้นใหญ่เราชวนๆงงมากเลยเช่น เรามักจะได้ยินว่าทําให้สงบนะทําจิตใจให้สงบเมื่อ มันเอาศิลาทับหญ้าคือหินเนี่ยไปทับหญ้า 2-3 เท่าเลยผมก็เห็นมันเยอะแต่เยอะคนที่ดูคล้ายๆไม่มีกิเลสพอ เขาได้บัชฉันนันทาเหลือครับ